หลงก็ไปไกลนะไปเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นจตโลกเป็นสัตว์เดรัจฉานความรู้ก็ไปไกลเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมเป็นพระถึงมรรคนิพพานขวางรู้นีก็มีทางแยกอยู่ก่อนเดินทางไปสู่ความหลงความรู้เนี่ยเราก็เห็นกันทุกคน เวลามันหลงก็รู้แยกออกมาหนอยเรื่องหลงก็มีรสชาติแต่ความลูกมันรสจืดรสจืดเป็นดีนะอาหารที่มันมีคุณภาพทุกวันนี้พิสูจน์แล้วคือรสจืดอาหารรสจืดมีขลดีต่อสุขภาพมากไม่ใช่เค็มจัดเผ็ดจัดอะไรต่างๆ เราจะไม่ดีเสมอไปอาหารท้องใจแล้วก็รสจืดๆครามรู้มันจืดๆไม่มีค่าความหลงมันมีรสชาติมีค่ามากแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายก็ติดตรงนั้นละ่ะเรากลับมาเราจะมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิเห็นธรรมให้มันจืดเห็นกายสุข ก, กาย จะเอากายมันเป็นตัวเป็นตนให้มีรสวิชาตกายมัว่ามีรสชาติรสชาติของกายคือรูปรสกลิ่นเสียงมันเกี่ยวข้องกับจิต ด, ด้วยที่มันเป็นเวชนาไมทา่ทั้งกายทั้งลิตก็แยกออกมาซะให้เห็นเวตธนาสักวเวทนาพูดแล้วพูดอีกบอกตรงที่มันหลง บอกตรงที่วังถูกถ้าไม่บอกตรงนี้มันก็ไปไม่ได้ผิดตลอดไปเหมือนเราเดินทางหลาหลงตางก็ไปเทศบ้านรัตนะอำเภอแหงใหญ่ก็หลงทางบ้าง น, นิดหน่อยเพราะไม่เคยไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนเราเนี่หล่ะสิบกว่าวันแล้ว ผู้สูงอายุ้ากกว่าที่นั่งอยู่นี่เราน้อยเหลือเกินแถวนั้นเป็นบ้านเก่าแก่บ้านดั้งเดิมบ้านเราเป็นบ้านใหม่ๆสังคมใหม่ๆคนแถวนี้ไม่ค่อยมีมีแม่เพียงคนเดียวแต่บ้านรัตนะมีแต่คนบ้าน แถวนั่นเองคนทั้งอื่นไม่มีมันก็ต่างกันอาจริงธรรมที่นั่นเพิ่มให้เสียเปรียบเขาก็ เ, าเอากันบ้านพวกหลออก็ยามที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้เห็นแข้งมันมีสิ่งที่ไม่ถูกมีสิ่งที่ถูกต้องดูเอาพบเอาสัมผัส ด, ดูเอา ให้มันโล่งๆถ้าไม่โล่งมันก็หนักมันเป็นภาระอะไรมันเอาตะพึตพ่ตเพอกายใจของเรานี่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบือ่อเป็นทาตของขวัญอยากไปเรื่อยๆอยากมีสองทางอยากทางกายอยากทางใจทางกายมันอยาก มันหิวข้าวหิวน้ำใจมันหิวความอยากที่ไปเกิดจากใจไม่เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทุ่ทงมมไม่รู้จบเต็มเราอยากทั้งใจเราทุ่งไม่รู้จบเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบือ่อเราจึงมาศึกษาให้มันเห็นแจ้ง อะไรควรไม่ควรมันบอกเราอยู่สัมปัตโตเราก็ท่องสองทางลอมรู้ความหลงลองทุกข์ความไม่ทุกข์ความโกรธความไม่โกรธลองพอใจความไม่พอใจความไม่เป็นอะไรถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาจะให้ ใจเป็นใหญ่ไปทางที่ผิดใจมันก็เถื่อนได้สมช้อนโสเพนีใจก็ออกหมดถนถงมาเปลี่ยนแปลงจึงจะหลุดพ้นถ้ายังเมียนเก่าอยู่ก็หลุดพ้นไม่ได้มีความหลงไม่มความพอใจมีความไม่พอใจอยู่มันก็หลุดพ้นไม่ได้ จึงขุดคัดตัวเองหาช่วยตัวเองสนุกดีการช่วยตัวเองเนี่มันมีเหลี่ยมไหวตัวเราถ้าเรายกมือไหวตัวเราได้ก่อนยกไห้คนอื่นได้ถ้าเราเคารพตัวเราได้เราเคารพคนอื่นได้ก็ได้ ถ้าเราเป็นทำต่อเ ร, เราได้ก็มีความเป็นทมต่อเฉยๆวตัตถุกอื่นได้ง่ายถ้าเราทำได้มันก็ชี้เห็นคนอื่นคนที่รู้ย่อมคนที่รู้จากคนหลงคนที่พ้นจากควทุกย่อมเห็นใจคนที่มีความทุกคนที่พ้นจากความโกรย่อมเหันใจผู้ที่มีความโกรช่วยเหลือกันเป็นนี่คืองานของมนุษย์ ถ้าเราไม่รู้จักช่วยกันมาเป็นมหาหนักเข้าไปอีกเป็นโกรธก่อนแล้วโกรธที่หลังเขาโวยวายกันโกรธต่อไปโกรธทั้งสองสามคนก็มีเพิ่มโกรธติด ต, ต่อกันเป็นโลกเรียกว่าโรคโลกน้มโลกโรคความโกรธโลกคิดเด็ตัณหาลาคะ่ะปิดกัน จนเกิดโลกได้หลายอย่างชีวิตของเรามันเป็นภาหนะโผลเพื่อนแม้แต่เป็นเชื้อโลกก็เป็นภาหนะไปติดกันจังหวัดอย่างหวัดหมูพวเขาเล่าลือกันทุกวนันนี่มันก็วางกับคนคนนี้ก็ไปได้ทุกประเทศ วัดชนนี้เกิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในนี้ก็มาถึงประเทศไทยกำลังมีปัญหามากขึ้นเอเชียยุโรปไปหมดทั่วโลกแล้วสี่สิบกว่าประเทศมันก็เหมาหากับคนคนก็นั่งเครื่องบินวันเดียวขนาดคนละมุมโลกก็ไม่เกินยี่สิบกว่าชั่วโมง อย่างหลงตามาจากสหรัฐมาถึงเมืองไทยก็ไม่เกินยี่สิบชั่วโมงยี่บสามชั่วโมงมาสองต่อมาทางเกาหลีบ้างมาทางญี่ปุ่นบ้างมาทางไต้หวันบ้างเมื่อข้ามาโฉดไปสิปีลันก็มาสิบแม่น้ำเศ้าแม่น้ำสิเป็นแผ่นดินเดียว เที่ยวทางกันบ่เหยียบพ้อยกันเพิ่มเบิร์ตานกินน้ำบอ่อเดียวมันก็คือเรื่องนี้ล่ะคนหมดทั้งบ้านกินน้ำบอ่อเดียวจินน้ำป่าปาใช่ไหมบอ่อเดียวเที่ยวทางเดียวเดินทางเดียวมาเหยียบลอยกันเพราะนั่งรถมาเห็นลอยกันแล้วทุกคนนะเมื่อก่อนไปไหนจําลอยกันได้ ทางไปนาไม่ต้องไปถามก็ได้เห็นรอยเดินโอ้ยพ่อยนันไปแล้วแม่ใหญ่นี่ไปแล้วเนี่ยรอยเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูลอยมันไม่เห็นรอยเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเพราะนั่งรถเป็นลอยของรถไปแล้วอบลาณท่านก็พูดเลยมันถูกเกิดมาได้ยินเลยัวผงเข่ามาผงเขา เสาออกดอกหมาปงขาเพรกระโดาเศ้าขุมหมาผงเขากกเาส า, า, เ า, สาออกดอกแล ก, กระเดาก็ไม่ขมเสาออกดอกหมาปงเข่ามันได้ยินมาตั้งแต่เกิดมารู้จักไหมหมาเกิดเขาก็คือลถปอร์ตส์ไซว้เหมือนบ้า สาอกดอกก็เสาไปฟ้านีดอกสว่างสวยอันนี้ก็คือได้ยินมาตั้งแต่วันเกิดนะ่ะเป็นเด็กๆได้ยินคำนี้เลยสิบแม่นาม้าสาวแม่นาม้าสาวคือสองภาษาเราเจ้าสองเจ้าสามบนวบลาณเขามันเรียกว่ายี่สิบสองยี่สิบสาม สาวสามสิบสาว 40, สี่สิบาวห้าสิบม่ชิดเล้ว่าห้าสิบหกสิบมีสาวออกหน้าสิบแม่น้ำสาวแม่น้ำจะเป็นแผ่นดินเดียวมหาสมุทรสองแห่งที่ใหญ่แอตแลนติกแปซิฟิกใหญ่กว่าแผ่นดินสองเท่าแม่น้ำอเมริกาเนี่ยเครือบมหาสมุทรสองมหาสมุทรฝั่งตะวันตกเป็นแปซิฟิก ฝั่งตะวันออกกันเอตเลนติกประเทศนี้ติดทั้งสองมหาสหมุทรที่ตะวันตกไปชีวิตเติมออกถึงแอตเลนติกจากตะวันตกไปจูตะวันออ ก, Atlantic, ก, น, ก, น, ออกนั่งเครื่องบินแปดชั่วโมงจากซานฟรานซิสโกไปเพียงบัตตันหาดเนี่ยไม่ใชถึงฝั่งเท่าไหร่แปดชั่วโมงแล้วใหญ่กประเทศดาโลยี่สิบเท่า ถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วหลังตานอนป่วยโรงพยาบาลให้หมอเจาสะสารัตพูดกันได้หลงพ่อเป็นโรค ก, ก้อนเนื้อตับอ่อนยังไม่มีรักษาเลยพูดกับคนหมอที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลก็พูดต่อไปก้อเนื้อตับ อ, อ่อนเกิดจากก้อนเนื้อโตเร็วลำคอ ไปตอมน้องเหลืองไปสู่ตบอ่อนโอ้ถ้างั้นรักษาได้รักษาได้รักษาได้ไดให้เคมีโมตัวใหม่โดยด่ ว, ดวนแ้วก็ตอเนื้อให้หลวงพ่อหายใจได้เผื่กันแ บ, บ, แบ๊บเนะียวมันก็ถนาดยี่สิบกวัวชัว่วโมงก็พระเจ้าไปเิียดไิเจริญรักษ า, กษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เคมีโอโดยด่ ว, ดว น, นก็หาย อันนี้อันโลกมันก็มาไวเหมือนกันกับขาวสารมวลชนมากับคนเราจึงไม่เหมือนเก่าชุกวันนี้ต้องเก่งกว่าเก่าอะไรไม่เก่งมันก็อยู่ไม่ได้แล้วนกทุกประเภทนกบางประเภทไม่เก่งหลบไปไม่เป็นสิ้นผัดไปแล้วสูญผันไปแล้วเขียดกบก็มางจะสูญผัน อะไรรที่อยู่ที่นี่สุขกโตนี่สูญพันไปนหลายอย่างจัดป่าที่มันงู้งไม่มีแล้วสูญพัน์ไปหมดเช่นหนูหนูแผงตัวเท้าขานี่เวลาเรานั่งสร้างจังหวะอยู่มันมางอยอาขึ้นบ้านขึ้นไหนก็ได้ถ้ามันมีที่บัง งอยขึ้นมาจะเข่าเราเคลื่อนไหวอยู่มันก็ยังขึ้นงอยไตขึ้นมางอยบนหัวเพาจับลงไปมันก็ยังขึ้นหงออยู่เดินจงกรมก็เดินตามพื้นดินนี่ไม่ได้เกะอันพวกหนูแผงเนี่ยต้องเอาเปลีกไม้ไปหาเปลี่กไม้ยาวๆที่ชาวบ้านเขาเลื่อยเอามาวางทั้งงอเราก็เดินบน คือยังมันก็ยังเดินอยู่ข้างล่างแล้วเอานั่งอยู่กลางวันมางทีก็มาไต่ขาขึา้นมานั่งอมันเยี่ยวใช่มันก็เพื่อนไปหมดสักวันออกมันหมดแล้วศูนพันไปหมดแล้วแต่ก่อนก็เป็นอาหารเสืออาหารงูงูเหลือมเดีวนี้งูเหลือมไม่มีสัตว์ประเภทนี้กินกินงู ด, ด้วยกันกินทางโคก ด, ด้วย ทางโคกแต่ก่อนที่นี่ล่องงมโรยในอาสนําหมุเนี่ยในตรงในป่าเต็มไปเลยทางโคกแล้วดูฝนตกใหม่ตัวออดลูกทางโคกนะเต็มฝั่งไปเลยหูป่าที่อยู่ที่นี่มันไปกินลูกออดในขอบน้ํามันกินสวบกินจับกินมันเป็นฝุงเป็นผงมันงูง้อนะลูกออดนะเป็นแพร่เป็นแพร่อยู่นะ หมูป่าไปาก็ไปกินเพิ่มเพิๆๆเเว่าเดี๋ยวอิ่มไปเลยสัตวนไม่มีสักตัวกลางคบก็มีแล้วงูหัวห่าหัวหกนน็กินเนี่ะนี่มก็สูนพันไปแล้วชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้เฉลียวฉลาดก็เป็นภัยเหมือนกันทางกายก็มีภัยทางใจก็มีภัย นอะไรไม่ค่อยดีสักวันนี้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีแี่แต่ของอยู่ของกินก็หมดไปหลายอย่างจากโลกเาไปห้าสิบหกสิบปีข้างหน้าน้ำจืดก็จะหมด น, หนี่ต่น้ำเค็มเดี๋ยวนี้ก็โลกล ง, งนันถ้าน้ำแข็งละลายลงมามันร้อนมากมันก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ ประเทศไทยก็ท่วมไปหลายจังหวัดเราไปดูน้ำแข็งที่พวโลกเหนือแถวใกล้ทิเททบตมองโกเลียแล้วก็ปากีสถานไปนขึ้นเขาน้ำแข็งที่นั่นโดโทน่นากัวมากภูเขาเป็นภูเขาเลยน้ำแข็งที่แลกวก็เดินใส่บูดเดินเขาทำเป็น หนาๆถ้าใส่ลงเท่าเดินไม่ได้มันลื่นแล้วก็เดินไปเดินไปไม่ไหวมันชันกันไปก็ขึ้นก็เช่าขึ้นเขาไปสองสอมต่อโอโหน้ากลัวถ้ามันร้อนจริงๆไหลลงมาเนี่ยมันจะมีอะไรให้มันอยู่แผ่นดินเนี่ยน้ามันก็มีสองเท่าแล้วดินมีเท่าเดียวส่วนเดียวแล้ว มันก็อาจจะเป็นไปได้ไน้นำแข็งลงมาสูท่ทะเลมหาสมุทรทะเลก็หน้นขึ้นท่วมเลยมีที่ใจพูมวัดปูโค้งเลยละ่ะโคสโกโ ต, โต้หน่วยช่วมบุพบมาอยู่นี่เลยแล้วพวกเรามีเจ้าคณะจังหวัดจันบุรีมาเยี่ยมเห็นที่โอ้ยผมขออยู่ด้วยผมขออยู่ด้วยต่อไปจันทบุรีน้าจะท่วมหมดเลยก็จะขออยู่กับอาจารย์นี่แหลอะอก็มาจีนเนี่ย อันนี้ก็พูดเล่นๆนะยาเตืนตนุกก็าตายตื่นตุมนะโรคหวัดโรคอะไรไม่ต้องกลัวหรอกรักษาให้มันดีพักผ่อนหลับนอนอาบน้ำรักษาสุขภาพออกกำลังกายสร้างจังหวะสร้างจังหวะเนี่ยมันบริหารส่วนเนี่ยเป็นสถาบันนะเนี่ยเดินจงกลมสถาบันก็มี ภาระศึกษากเกษตรกลุ่ศาสตร์วิทยาศาสตร์การนศาสตร์เราก็มีเหมือนกันสถาบันก็เรามีภาระศึกษานี่ออกกําลังกายโยคะปั้งใจให้มีพลังอย่าอ่อนแอเข้มแข็งอดทนเอาชนะตัวเองมันหลงอย่าหลงมันทุกข์อย่าทุกข์มันเหนื่อยอย่าเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยให้ภาระ เป็นนักสัตว์พุทธศาสตร์โดยจงกรมชระชาก็ได้ไหวๆก็ได้เดี๋ยวนี้มีโดยกรงเปลี่ยนเขยแบบนี้ไม่มีนะสมัยก่อนนะมีหลอกลวงตามาบริหารตัวเองก็แปลกสักหน่อยยอมเอาตามก็ได้หรือเอาตามก็ได้อทีเห็นพวกเราทําตามก็ได้ไม่เป็นไรนะต่อไปเขาจะว่า ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่องเขียนเพี้ยนไปแล้ ว, ลวเอินเจียนเขียนค่ะอาจารย์เบียงกวดว่าได้ฮนะนี่เราเราหามาช่วยตัวเองที่เราป่วยหัดเดินมันก็ช่วยได้เห็นอ น, นิสงส์คนอื่นจะมีหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่ามีตำราการเจียนเขียนเป็นของคนจีน คนจีนเนี่เป็นคนที่มีอายุยาวที่สุดในโลกเพราะคนจีนเขาไม่อะไรดีๆอาหารการจกินก็จินจนเจเป็นส่วนใหญ่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเขาก็ไม่นั่งเหมือนเราตอนนั่งก็ต้องฝึกสมาธิเขายืนนี่จะไปจีนมาที่25ันนี่ก็ต้องยืนทำวัดกับเขา ก็ตีของตีกองไปด้วยพุทธศาสนาเหมือนกันแดบไยปะหายาณตั้งบะตีขอ ง, ต, ของตีกองพิกษุณีนี่จะเป็นผู้นำออกหน้าส่วนพระก็อยู่ข้างๆพระก็ไม่ค่อยตีมีที่พิกษุณีตีตีกองเป็นจังงบะลางบทก็ต้องเดินทำทักษิณเวียนอ้อมพระพุทธรูป ก็ลอยที่ทวัดส่วนมนต์ khổ ไม่เหมือนเราเราเดินอ้อมได้เดินอ้อมไ ด, เ ด, ได้เป็นร้อยๆคนก็อ้อมได้ไิหารถึงบทที่จะเดินก็เดินทีเคาะไปด้วยก็ก็ ก, ก็ไปด้วยอามิตาภูมีอตาภูมิอมิตาภูมีอตาภมิอามิต สนุกดีนะ <laughs> เกินไปอ่นี่ก็ไห่ตีข้องต้องมัดก็มีท่าทีดีกว่าพวกเราไม่เจ้าวานี่ไม่รลูกไครตีข้องดังดีเหลือเกินบางวันไม่ค่อยได้ยินนะอ่ามีาเสียงข้องดังโอ้มีโตพูแต่ตข้องดังดี อะมิตตอมิตตพุอมิตตอาม atención, ิตตอะมิตอมิตข้องดังเบาก็พูดเบาๆเกือบยี่สิบนาทีนะตีข้องนะไปหน่งนีบเขา่เขาไม่ไดนตีนะมครังใหญ่ก็ไม่เชื่อปลูกลูกแล้วครั้งเขานั่งกัดสมาธิติมอะมิตตพุอะมิตตพุอะมิตตพุอะมิตตอมิตตอมิต จนเสียงข้องหมดเสียงเฮอามิตาภูอมิต น, นก็เลยโชคดีฮง น, นแต่เรากลับนะกลังไปก็จะมีขันธทงเหลืองใหญ่กลางไปว่าถึงพ ร, ร, ระอินทร์พระผมถึงพระมิตรพุทธแล้วเสียงข้องเสียงกร่งบอกถึงอามิตาภูธาภาวะที่มีความเคารพสูงสุด ดังเรากลาวนีก่ก็มีไหมมีไหมพวกหลองฮะหรือว่ากาบแบบนี้เหรอไม่ใช่นะอัญชลีอันถาอาภีวา่าพอกลาบลงก็พุทโธเมนาโถตัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถถ้าเราว่า แบบเดียวกันจะเงยพ้อมกันจะเพิพ้อมกันอันเฉลี่ยอันทาอภิพีว่าต่อหน้าผากมือถึงนี่นะิ่วมลงให้แม่มือจดคิ้วงอลงพุโทโธเมลทโธหงอยขึ้นเป็นจางครับประดิษฐ์เนี่ยของมหาจารย์เขาจะบัมีตัวบัวมีตมัวลอกกอบเตีห้องนะ มโตัวโพมีตัวโพมีตัวโพเงยขึ้นโตโหลพุทธโพเมนาโถกมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสามครั้งอัญชลีวันตาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสบทสุดท้ายอัญชลีวันทาแล้วก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ใช่ไหม อันนี้คือสาธาพิธีต่างกันมหาญานก็มีสาธาพิธีแบบมหายาณได้มาร้่งเสนสมัยสังขายนาแต่กันไปเสวา่าก็ได้มาจากข้ามหากจชาปะวารีอานนอนุรุธทธะเะเทระหล้ว่าเถระว่า ทางนี้ก็ได้กันไปสาชั้นพิธีต่างกันสาชั้นบุคคลก็ต่างกันพระสงฆ์ของเขาใส่เสื้อเขนยาวๆสังเกงทางว้ส่วนมองก็สวมรองเท้าจืนแล้วเราก็ถอดรองเท้าสาชนพิธีสาชนบุคคลก็ต่างกันสาชนวุตถุก็ต่างกัน พระพุทธรูปแบบไทยพระพุทธรูปแบบกรีนพระพุทธรูปแบบญี่ปุ่นพระพุทธรูปแบบพมา่าแบบหลังกามันก็ต่างกันไว้สาระวัตถุสาลาก็ไม่เป็นอย่างนี้วิหารก็ไม่เป็นอย่างนี้โบสถ์ก็ไม่เป็นเหมือนกันส่วนที่เหมือนกันคือศาสนธรรมอันเดียวกัน ป็ติสัมปจนญาอันนี้เป็นสากลศาสักพิธีศาสักบุคคลสาสนกวัตถุไม่เหมือนกันแต่สาสนาธรรมอันเดียวกันยกหมือช่างจังวอันเดียวกันศาสนาทุกศาสนาอันเดียวกันหมดนี่ว่นศาสนาธรรมเพราะนั้นเราก็หัวใจของเราคือสาสนาธรรมทต่บายก็ ถึงศาสนาธรรมมีสติมีสัมผะปล่อยวางรู้สึกเลิกได้นี่จับไปเอาไปไม่หนักไม่หนาอย่าเอาออื่นมาแตกแตกต่างกันไม่เกี่ยวศาสนาไหนก็คือศาสนาธรรมมันเดียวกันเ้าถึงตัวนี้ให้ได้หลุดพ้นถึงมรรคผลในพานคนไทยไม่โกรธคนชาติไหนไม่โกรธเหมือนกันหมดคนไทยหลงคนอื่นหลงเหมือนกันหมด ความหลงความไม่หลงเหมือนกันความโกรธความไม่โกรธเหมือนกันถ้าใครมฝึกหัดตนนอาอย่าไปคิดว่าแปลกแม่แต่เรานั่งอยู่เนี่ยอายุเก่แก่อายุหน่มหนมน้อยเป็นเพศไม่ชีเป็นเพศอวสศกบาสิกาเป็นเพศพระสงฆ์อันเดียวกันศาสนาธรรมศารรมสนาพิธรรีต่างกันนายชีก็นั่งตรงนี้พระจอมก็นั่งตรงนี้พระสงฆ์ก็นั่งตรงนี้ นี่สาราพิธีของเราสารทบุคคลส่วนศารฉัรทำมันเดียวกันอย่างนี้อจะไปแบ่งกันทําไหมไปอะไรมาอ้างทําไมเขาถึงาศาสฉันทำได้เหมือนกันเรารู้สึกตัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ความรู้สึกตัวที่เราอยู่เดี๋ยวนี้อยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอีกอยู่กับพระอรหันต์พระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงดังๆแปดสิบรูป อ, อันเดียว ก, กันกับเราเนี่ย แล้วก็ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกวันทุกโอกาสไม่มีการไม่ีเวลาเลยจะเอาอะไรมาเ้าเพ้วเอาไวอา้อลทิเอาทิฏฐิมนะความเห็นอะไรยามาให้เป็นการสัมผัสบอกแล้วบอกอกีกสัมผัสสภาวะที่รู้บึกให้เป็นไม่ใช่ไปเรียนรู้ สมบัติความรู้มันก็เห็นกองหลงสมบัติความรู้ก็เห็นความทุกข์มันมาให้เราดูมันฉายมาให้เราดูเพื่อให้เราได้ศึกษารู้มันจนมีความในใจของใครของมันว่ารู้แล้วรู้แล้วโอ้โอคือบางอ้ออืมจุ ก, ก็อืมทุกขอืมวิปัจสนาถึงบางอ้อ เขอกเได้เรลงตัวถ้าเอ๊ะทำไมทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เที่ยวว่าชีวิตไม่ลงตัวมันปิดบัญชีไม่ได้ถ้าอืมหลงตัวปิดบัญชีแล้วอถ้าไม่หลงตัวก็เป็นการบ้านเรื่อยไปเอ๊ะใจอยู่เลยทำไมทำไมจึงทำอย่างนั้นเอาไปทำไมกับคนอื่นทำไมจึงว่ากับเราทำไมจึงทำกับเราทำไมจึง คิดอย่างนี้แล้วก็ขัดแย้งกันไปเห็นคนนินทาอืมแล้วสังเส้นก็อืมได้ก็เออเสียก็นี่ทุกก็อืมถูกก็อืมไปเลยไม่เป็นอะไรกับี่สุดก็คือภาวะไม่เป็นอะไรเนี่ยสาคัญที่สุดนะเอิ้งด้ตรงเนี้ยไม่แจ่ไม่เจ็บไม่ตายภาวะไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ได่เห็นแกร่งแกร้งจังปาง แจ้งกว่านี้อันนี้ไม่แจ้งแสงนิออนแจ้งจากลู่แจ้งโลกเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แจ้งแสงทูปแสงเถือนก็ดิบลีแจ้งแสงนิออนก็ดีหน่อยแจ้งดวงอาทิตย์ก็ลู่แจ้งโลกวัวเจ้าเป็นพูรลู่แจ้งโลกลูโลกอย่างแกมแจ้งคือลู้ทุกอย่างอันเกิดกับกายกับใจนี้ เห็นไหมเรามาดูสูทั้งหล่อจงมาดูโลกอันวิกิตการณ์โดดหล่อจะลดที่คนงูคนหลงว่ากันอยู่อยู่กับความหลงอยู่กับความทุกข์ความสุขอยู่กับความรักความชังอยู่กับการได้การเสียคอยสิ่งเหล่านั้นลิขิตชีวิตของเราไปถ้าเสียก็เสียใจถ้าได้ก็ดีใจอาลองเป็นบวกเป็นลบ มันก็เป็นไม่เหลือศูนย์มันก็มีค่าลบก็มีค่าอย่างหนึ่งบวกก็มีค่าอย่างหนึ่งลบก็ดีไปอย่างหนึ่งลบก็ผิดอย่างหนึ่งบวกก็ผิดอย่างหนึ่งบวกก็ถูกอย่างหนึ่งที่เป็นสมมติบัญญัติตามที่เราบัญญัติเอาบางก็ก็ชอบบวกเข้ามาชอบในสางที่บัญญัติเอาเองที่เราชอบคนอื่นก็จะไม่ชอบ นมันบัญญัติเอาบัญญัติมันต่างกันไม่เหมือนปรรมร์ปรรมร์มันไม่อยู่ในที่ชอบมาอยู่ที่ไม่ชอบมันเป็นเช่นนั่นเองต่อถตาต่ทถตาเป็นเช่นนั่นเองมีเหตุมีปัจจัยเช่นนั้นเองเรียกว่าต่ถอต่คือตถาคดมันก็เป็นอย่างนี้เราตถาคด ก็เหมือนกับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เหมือนเราจะถาคตนั่งเป็นอย่างนี้อันเดียวกันมีรูปมีดามอันเดียวกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันปวดท้องก็เหมือนกันมีตบไตาหพุงเหมือนกายใจเลหมือนกันปวืท้องก็เหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกัน ไม่ใช่คนนั้นเลยพวกเดินเวียดเดินบอกก็เรียนส่วนเดียวกันติดหลังก็มีตับมีไตเหมือนเราคนไทยก็มีตับมีไตเหมือนเรางานจบก็จบวันเดียวกันจำนานในเรื่องต่างๆอันเดียวกันบางคนจำนานในเรื่องไตบางคนจำนานในเรื่องตับบางคนจำนานเรื่องกระดูกบางคนจำนานในเรื่องเลือดก็อันเดียวกันนี่แหละ หลวงพ่อโกรธอันเดียวกันโยมไม่โกรธหลวงพ่อไม่โกรธอันเดียวกันเรียกว่าวันณะน้นิตัดออกไปเลยพุทธเจ้าทำลายวันนะน้นนี้แต่ก่อนเนี่ยเราถือกันว่าวันณะเนี่ยกระ ช, ชับพามแพร่สูตรจันทาน์เป็นวันณะที่บัญญัติกันทุกวันก็ยังใช่อยู่เช่นหลวงตาไปมหาวิเลยบาราณสีไปเยี่ยมนักศึกษา ไปโทษป้าป่าให้นักศึกษาพวกพรามเขาเข้าห้องน้ํานักศึกษาพรามเข้าห้องน้ําพวกสูตรก็อย่าไปต้งดูก่อนเวลาพรามบอกแกว่าน้าพวกต้องศึกษาสูตรก็เปิดเข้านั่งมาไปทาําความสะอาดเลยเนี่ยก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเวลามาเจอพวกเราพวกสูตรก็จะมาจับ หลังเท่าหล่อก้มจับหลังเท่าหลอก็าามาตบหน้าอกของเราเขาก็มาแตะหน้าผากของเขาเขารบเราเอามือแตะหลังเท่าหลอเอามาจับหน้าอกของเขาเองเอามือแตะเท่าหล่อไปจับหน้าอกเขาเอามาแตะหน้ า, าพากเขาเคารบท่านนะคารวะรบหล่อนี่พวกสูตรพวกจันทานแต่เรานั่งอยู่ในร่มเนี่ยเขามาก้ามานั่งด้วยเขาอยู่ข้างๆ ยังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเรามานั่งโดยกันที่นี่มากินข้าวโดยกันอันนี้พระเจ้าทำลายวาวันนะเราเนี่ยงานก็ยังไม่จบม่สิ้นเลยพวกสูตรไม่มีิทธิ์ศึกษาเล่าเรียนเลยต้องรับจ้างไม่ไม่ขานเป็นเครื่องมือหาจินเราไปเห็นเราลงเครื่องบินเราลงรถไ้พวกสูตรจะเอาผ้าขาว ว่าแดงๆพันหัวคอยมารับกับป๋พคอยพอเข็นรถให้เราพวกจันทานก็ไม่มีโอกาสเรียนเลยต้องขอทานอย่างเดียวเมาก็ยอมจำนนเราไมยอมพัฒนาเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เอพวกกษัตริย์ก็ปกคอรองท่านเมืองกราเป็นอย่างนี้นี่วันนะ อันนันก็มันก็ไปไกลเกินไปเล่าก็นี่มีเสาร์าบุคคลต่างกันบ้างแม่ชีก็นั่งอยู่ที่นั่นจา๋าอย่ามานั่งกับหลวงตาโยมก็นั่งอยู่ตรงนี้พระประธานพระพุทธรูไปไว้ที่สูงจังหน่อยอย่านั่งสูงกว่าพุทธรูป ก, ก็ไม่เหมาะนว่าในคำให้หลวงตานั่งธาารรมะมันสูงกว่าพุทธรูปหลวงตาบอกเขา มันสูงก็พระประธานธรรมาเมันสูงไม่เกิดขึ้นธรรมะมาเป็นสิบปีแล้วตอนนั้นก็เราก็ดูเอากาลเทศะบางทีก็มันก็ตามกนอยจ่ในแต่ละลัทธินิกายเราจะไปประเทศจีน เ, นเราก็ไม่ไม่เหมือนเราเนาะจิเข้าอันเดียวกันกับพิกษณี จับต้องกันได้ถูกเนื้อถูกตัวกันได้แต่เราก็เป็นไสรละวาดก็มีบัญญัติท่ามไว้ในสิกขาจับต้องกายหญิงต้องสังฆาติเศษต้องอาบัติขนาดกลางผู้เที่ยวหญิงต้องสังฆาติเศษอยู่กับที่รับหญิงสองต่อสองต้องสังฆาติเศษอไเงี้ย แต่ว่าเขาไม่ต้องนะจับแสนกันเดินอ้อมวัดได้แต่นี่เราทำมันไม่ได้เดี๋ยวโยวมไลยสึกเลย